ต้องไปไข้ควรโดยพิจารณาด้วยนะถ้าศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเสร็จแล้วเนะี่ยไม่มีอะไรทําไม่ได้ได้หมดสาวกของพระเจ้าเนี่ยทําอะไรได้เพราะว่ามีพระเจ้าเป็นเจรนะแค่มีพระเจ้าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นที่พึ่งเราไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแค่เมื่อมีพระเจ้ามีพระราตนารายเป็นที่พึ่งแล้วเนะี่ยอย่างอื่นก็เป็นเรื่องเล็กนอ้อยมันก็ทําได้ทั้งนั้นยังไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสาว่าเรามีอะไรเป็นธรรมะนาที่ประดีของเรา เป็นอารมณนะปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เราใช่ไหมเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังจริงหรือเปล่าถ้ามีพรตรตน่าใจเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังไม่มีแล้วที่สาวว่าของพระเจ้าจะทําไม่ได้เทียงว่าหนึ่งเริ่มไหมปลาระความเพียรไหมเขาเรียกอาราภธาตุไหมเริ่มไหมเริ่มคิดคิดที่จะเพียรในการที่ศึกษาพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมไหมเริ่มคิดหรื อ, อยังถ้าเริ่มคิดนี่แหละอันนี้นี่แหละจะเป็นการปลาระความเพียรดีที่สุด ประการต่อมาถึงนิกรรมธาตุก็เพียงออกจากความเหยียดค้านเพียงออกออกจากปัญหาหรือเปล่าเพียงพยายามเนี่ยในที่สุดจริงก็จะเป็นประกรรมธาตุทุกข้าวเขถึงความเยือยเรื่องต้นองฉะนั้นความเพี้ยนมีสําพันธ์มากเนี่ยก็ต้องต้องต้องต้องใช้ความเพียนทีนี้ถ้าเราบางทีไปอยู่เนี้ยถึงเรานอนอยู่นี่นะถึงเวลาสวดมนต์เจริญกุศลแล้วเอาอีกหน่อยเช่นน้าันยุ่งแล้่มียุ่งแล้วนะตรงเนี้ยเลื่อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปุ่งนี้ก็ได้เนี่ย มีเขาเรียกขาดอารัรทาตนะขาการปารบความเพียรนะฉะนั้นการปารบความเพียรใหม่ๆมันลุกไม่ไหวปาราลบบ่อยๆสมมุติเราปารบครั้งนึ่งมันก็ยังเฉยอยู่สครั้ง3าครั้งสครั้งปาราลบเรื่อยๆปารบเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งเป็นร้อยครั้งพันครั้งไปมาอยู่ไม่ไหวแล้วนะเขาไม่ไหวแล้วใช่ั้มปารบไม่ถูกในเสือจริงๆเลยพ้นทุกได้ใช่ั้มบอกว่าอะไรวิเยทุกขมาเจติใช่ั้ม ความเพียนเนี่ยป้าโรคบ่อยๆเนี่ยเป็นปัจจัยความทุกขเป็นปะใจความทุกข์กดใัในในศาสนาถามว่าสัตว์ทวิหาริกต้องดูแลอุปชาไหมดู เ, เป็นหน้าที่ไหมเป็นใช่ไหมต้องดูแลต้องอะไรต่างๆทีนี้อต้องดูแลพ่อแม่ไม่ดูคนที่เป็นสัตว์ทวิหาริกเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์เจ็บป่วยทำไมต้องดูหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยสัตว์ทวิหาริกเจ็บป่วยก็ต้องดูพระดูแลกันซึ่งกันอย่างนี้นะแล้วไม่ให้ทิ้งกันก็ดูแลทีนี้ ถ้าดูยังไงแล้วโอ้โหหวังว่าถ้าสามารถหาคนอื่นมาดูแลแทนได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ก็ดูเห็นไหมท่านสอนอย่างนั้นเลยนะสามารถไปนิมนต์ช่วยดูหน่อยแจกวันสิบห้าวันอะไรต่างผมต้องการไปศึกษาการทำาำสอนต้องการรู้สื่บัตรใจคนก็สลับอย่างนี้ก็ทําถ้าดูไปแล้วเสร็จแต่ถ้าหากว่าท่านพอจะช่วยตัวเองได้ยังไงบ้างก็ให้ท่านช่วยตัวเองบ้างแล้วตัวเองก็ไข้ควดบ้างก็ทําในลักษณะอย่างนี้เรื่ยๆตาหาก็ดูดูนี่มือลังแน่นอนแล้ว ก็ว่าถ้าดูไว้ก็โอ้โหไม่ไหวแล้วครูบาอาจารย์ก็พิจารณาก็ถามซึ่งกันเลยกันโอ้ท่านก็จะอะไรที่ผมเลยว่างั้นนะผมก็ก็จะจะใครควรในการใส่ใจในการพุทธบัตรถอนอะไรแล้วถอนอะไรเสร็จเสร็จตามคนต่างก็ถอนอะไรซึ่งกันและกันไปได้ซึ่งเป็นหลท่านไม่ใช่ไม่ให้ดูนะประตูทําหน้าที่แต่ในขนาดเดียวกันก็หาวิธีเพราะไม่ใช่ไปจอมอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหม ทากกอดกันตายแล้วจมกันตายแล้วก็จมไปในสงสารวัฒมันไม่ได้หน้าที่คือหน้าที่แต่ก็ต้องพยายามถ้าสลับสอบเปลี่ยนได้ก็ให้สลับสอบเปลี่ยนชีวิตมันจะไปจมอยู่อย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าถ้าไปจมอยู่อย่างนั้นก็ยุ่งเพราะมันจะบอกว่าในคําสอนพระเจ้าก็สอนไว้ให้ดูแลกันถูกต้องแต่ถ้ากมีคนอื่นมาสลับสอบเปลี่ยนได้แล้วก็ต้องอาศัยคนอื่นสลับสอบเปลี่ยนในการที่จะหาเวลาในการศึกษาพระธรรมมันมีอยู่รายอย่างนะเอาคนในปัจจุบันเนี่ย อยู่ในครอบครัวของคนจีนแล้วปัจจุบันหนูประพฤติไปบาดกล้าวนางเลยยัยเลยนางเลยเป็นโยมผู้หญิงด้วยแล้วเป็นสะสะพายคนจีนเนี่ยตอนนั้นเจอกันมานี้บอกว่าเขาใช้ทํางานกลับแต่ใจศศศศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระเจ้านางทำเธอทําก็ไปขอบอกขอทํางานทุกอย่างแต่ขอวันเดียเลยขอวันเดียวใช่ไหมศึกษาพระธรรมวันอาทิตย์เขาก็บอกไม่หลัไปกราบพ่อหักแม่หัว ขอครึ่งวันจะเข้าอนุญากตกลับมาทําทุกอย่างครึ่งวันขอให้ศึกษาประทับจากจากเที่ยงไปะจะนถึงเย็นทำอยู่เนี้ยนะหนักเข้านักเข้าขอเพิ่มเนีหยเขาเห็นโอ้ขออยันเนี่ยเพิ่มได้เลยในหนึ่งวันต่อมาในเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้อาทิตย์หนึ่งได้สี่วันเห็นไหมแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวนี้ศึกษาจะจบหมดเลยอ่ะแล้วใครควรในการรู้มันอยู่ที่ว่าเราจะมีอุบายหรือไม่แลน้อมที่จะศรัทธาพระเจ้าจริงหรือไม่ใช่ไหม ถ้าศรัทธาจริงๆอ่ะต่อให้อะไรก็ขวางไม่ได้ก็เหมือนงานที่เราทำอ่ะขนาดใครขวางไม่้ทำไม่ข้ามเราไหว่ไหนเพราะเราศรัทธาที่จะทำได้อันนี้กินที่กลัวเลยนะไอ้เราก็ไม่สบายใจทีนี้พอเรามาเราก็ไม่สบายใจเราเราอยู่แล้วก็ไม่สบายใจเราอยากบที่ปัญหาก็คือว่าเจ็วันเราทิ้งทุกวันหรือเปล่าใช่ไมใช่มันอย่วัมันอยู่ที่วันมันอยู่ทีวัอ้นี้องต้องต้องแก้แก้หรือไม่ัน สิ่งที่มันเป็นอย่างเนี้ไม่ใช่ตัวเองขนาดไม่มีอะไรที่ขนาดอย่างนั้นนะเพียงแต่คนที่เขาลบสือหรือบริวานในบ้านหรือครอบครัวที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเรารู้สึกเราใจเนี่ยมันมันจะมาฟังธรรมมันรู้สึกมันมายุบขั้พวกนี้มันไม่ดค่อยโถงใสเมื่อไหร่เพราะที่จริงไม่ได้มีเลยจะมีเหมือนว่าเรามีความรู้สึก่าที่เราจะทิ้งรถไฟแล้วตรงนี้มันเขาก็นั่งคอยราเปแสงทําอะไรไปได้ แล้วเราต้องจัดการจัดการเวลามันจะไม่พออะไรนี่มันเข้ามายุ่งในชีวิตของเรือ น, น่ะเหมือนกันคือปัญหาตรงนั้นก็ต้องอย่ารยนการพูดแนเนี่ยต้องจัดการตัวเองคือปัญหาจริงๆถ้าถามว่าเราต้องการอยากจะจมอยู่ในสังสารวัฏหรือเปล่ามันต้องตั้งัคำถามไปตัวเองถ้าต้องการอยากจะจมอยู่ในสังสารวัฏเราก็ทําอย่างที่เราทําก็แค่ตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการอยากจะออกมันก็ต้องตั้งอัตยาศัยที่ยอกใช่ไหมใช่ถ้าไม่เริ่มเลยเนี่ย ถ้าไม่เริ่มเลยถามว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ตอนสมองปอ <c oughs> ก็หมดโอกาสใช่ไหวววแลล้าไม่ได้แล้วตรงนี้ตรงนี้ไปไข้ควนมากๆเดี๋ยวปัญญาจะเบื่แล้วมันมีหิถทางเยอะแยะและเรื่องหนักคนนี้เราก็เคยทํามาแล้วในชีวิตจริงเรื่องแค่นี้ปัญหาเล็กน้อยก็เดือน ถ, ถ้าไปใจก็อาตจมาเนอะง่ายมากคิดไม่ถึงสองนาที ปัญญาเรายังไม่ดีตั้งตัวอย่างได้ไม่อาตมาเปคนใจกล้างแล้วไม่ใจห่อนอถ้าได้ก้าวขาดเดินแล้วไม่ถอยหลังนั่นพิจิตรมาตมาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะสมัยก่อนในยมพ่อนี่ติดเล่าตอนบวชประมาณสักสองปีก็แล้วเระบวชมาสองปีแลว้วไปเทศเข้าไปคุยกับยมพ่อถามยมพ่อ ยังยมพ่อเลิกเล่าเนี่ยอาจจะมาขออนุบาลท่านบอกโอ้สังคมบอกสังคมก็บอกเอ๊ะทำไมถึงเกี่ยวกับสังคมแล้วก็เข้าสังคมได้ไม่ทานแล้วได้ว่าก็ทานก็า ท, านาทานกินกันมานะจะใ ห, ให้เลิก เ, ลกเริมก็ไม่ไหวก็บอกไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็แล้วกันถ้าวันใดวันหนึ่งยอมพ่อเลิกเล่าได้อาจจะมาจะมาเนี่ยถ้าหากว่ายังเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยอมพอ่ออยู่ในสังคมไปนะ กอไม่เป็นไรนะงั้นอาตมาก็ขอขอขอลาแก็ถือกรอดและบาทเดินลงจากบ้านก็ไม่ไคยกลับบ้านเลยใช่ไหมเอาที่ท่านหนึ่งปีตั้งแต่ท่านพูดว่าเอาขนาดนั้นเลยถ้าเอาขนาดนั้นเลยแล้วย้อนถามบอกมไม่ได้กลัวโยมพ่อเนะี่แต่ว่ า, วาตอนนี้โยมพ่อยังติดสังคมอยู่ถึงอาตมาจงมาก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแนละ้วเอาไว้วันใดวันหนึ่งว่าอาตมามีประโยชน์จะโยมพ่ออะไรอาตมาจะมาก็ลง ลงก็เดินลักทุ่งรัดไหลออกมาหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปสี่ปีห้าปีเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมยอมพ่ อ, อต้องคิดถึงลูกอยู่แล้วเนี่ยเข้าตามหาแล้วว่าลูกชายอยู่ไหนแล้วบวชอยู่ที่ไหนแล้วเริ่มตามหาฟานหาไปเสร็จให้ลูกให้น้องเที่ยวหาในที่สุดว่าเราพอรู้ไปเสร็จเราก็ไปก็ถามน้องเขาสมัยก่อนไม่ใช่โทรเลข ตอนนั้นอยู่ที่บดีทะเล็กมาก็ดูเขาบอกอ๋อยอมแม่ป่วยก็ไปเยี่ยมยอมแม่เยีมพ่อเ้ามาเห็นก็บอกแม่กระชั้นทํายอมพ่อหนักเกินไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็บอกว่าไม่ไม่ใช่แล้วก็ได้ถามมาแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็ว่าเลิกมาปีกว่าแล้วว่าโอ้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนกเป็นมีนิสัอาจารย์อย่างอาจารย์ออกมาแสดงคือโดยอธยาสายกองทัพนี่นะท่านก็ต้องแผ่เมตตาไปบุคคลโดยทั่วทั่วไปอยู่ ฉะนั้นถามว่าในกรณีที่ท่านนั้นแล้วก็แผลแล้วก็แผลทั้นเมตตาการเจริญเมตตานั้นมันไม่ได้แลยพระเจริญต้องเจริญไหมคารวาก็ต้องไปเจริญถามว่ากรณีที่เขาเจริญเมตตาจะเป็นอัตยาสใยเวลาเขาจะขอร้องใครก็อ่อนโยนนั้นก็เรื่อปกติใช่ไหมก็ก็ต้องทาไปเยาวัฒน์ต้องแผ่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ด้วยชีวิตไม่ต้องไม่ได้ไปอยู่ด้วยกรรมฐานบทเดียวอย่างที่ได้กล่าวฉะนั้นเขาคิดไปเยอะแยะหมดที่เราจะต้องการอาประการต่อไปนะ ใครเดินเป็นต้นเหล่านี er ้คำถามก็คือว่าใครเดินไม่ใช right? ่สัตว์ไม like ่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงหรือชายคนไหนไปเดินอันนี้ท่านถามถึงถึงถึงใครเดินว่าไอเดินนั้นมีสัตว์มีบุคคลไปเดินไหมบอกไม่มีคําถามต่อมาคือการเดินของใครเหมือนการถามย้อนนะว่าการเดินของใครบอกไม่มีการเดินของสัตว์ตัวไหนเลยฉะนั้ที่แรกบอกว่าใครเดินเนี่ยบอกว่าไม่ใช่สัตว์เดินไม่ใช่บุคคลเดิน ไม่ใช่หญิงเดินไม่ใช่ชายเดินไม่ใช่บุคคลคนไหนเลยเดินนะฮะแล้วไปย้อนกับการเดินของใครทีนี้การที่เดินเนี่ยมันของใครของคุณใช่ไหมอาการที่เดินเนี่ยเป็นของคุณใช่ไหมของบุคคลใช่ไหมก็บอกไม่ใช่การเดินของสัตว์ตัวไหนไม่ใช่การเดินของหญิงไม่ใช่การเดินของชายนะฮะไม่ใช่การเดินของ บุคคลหรืไม่การไม่ใชการเดินของไคทั้งนั้นคนไหนอีกเช่นกันบอกการการจเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การเข้าไปพิจรารณาเห็นสัตว์บุคคลตามสมมุติบัญญัติหรือตามโบหารของชาวโลกไม่ใช่ไปเห็นอย่างนั้นซึ่งตามโบหารของชาวโลกนั้นเขาไม่มีการจําแนกแยกแยะเพื่อจะละคาววิปัาสนาเขาไม่มีการแยกแยะเพื่อจะละคายว่างามว่าสุขวันเขาไม่การทางโลกเนี่ยเขาไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะไปละย่อกยก่ำเย่น เอ๊ะไปเห็นว่างามก็จะละความไม่งามไม่ใช่นะอละความงามออกไปก็จะเห็นความไม่งามไม่ใช่ทางโลกเขาไม่ได้คิดกันอย่างนี้นี่ใช่ไหมว่าถ้าเที่ยงเนี่ยเขาไม่ได้ไปเห็นว่าโอ้นี่มันไม่เที่ยงนะไม่ใี่เขาก็เห็นเป็นอย่างนี้โอ้เที่ยงนะอยู่เมื่อไรเมื่อไรก็ยังอยู่ดีโอ้ดีสุขดีนะโอ้ตัวคุณนี่สบายนะเห็นนั่นเขาเห็นด้วยความเป็นของงามด้วยความสุขด้วยความเที่ยงด้วยความเป็นอัตราตัวตนเขาเห็นกันอยู่อย่างเนี้ยในสังสารวัตที่ผ่านมาเราก็เห็นอย่างเนี้ย อย่าแปลกใจว่าอัจยาศัยที่เราสั่งสมแบบเห็นแบบนี้คิดแบบนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้มีมิจฉาทิฐิเป็นแหวกวอกเป็นบริวารเต็มไปหมดนี่ไหมแม้แต่เราก็คิดอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่คิดเช่นเดียวกับเราอย่างเงี้ยวันวันก็สนทนาเกี่ยวในเรื่องของสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องตัวเรื่องต้นเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องเราเรื่องของเราอย่างเงี้ย ความแนบแน่นของตัณหามานะ้าทิฏฐิก็ไปโผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลา ย, ยาวนานแล้วในสัมสารวัตรฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่ไปเจริญสติปัฏฐานอย่างนั้นไม่ใช่ไปเห็นอย่างนั้นถ้าไปเห็นอย่างโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามชาวโลกแล้วนั่นไม่ใช่เป็นการเจริญสติปัฏฐานและก็ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติที่จะสามารถทําลายหมดกิเลสไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกได้ถามว่าแล้วผู้ที่กําลังเจริญสติปัฏฐานอยู่ หรือผู้เจริญสติปัฏฐานจนเป็นพระจะเป็นกําลังแลนะ้วเนียคือหนึ่งปัญญาก็เป็นปัญญาพระแล้วมีกําลังคือปัญญาสติก็เป็นสติพระสัทธาก็เป็นสัทธาพระวิริยะก็เป็นวิริยะพระสัทธาสติสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากลายเป็นพระมีกําลังแล้วเขาจะรู้ไหมว่านั่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามสมมติฐานถามว่าคนที่จเจริญสติปัฏานก็รู้ไหมรู้หรือไม่รู้อ่ะ อ่ะสมมติคนบรนคนที่ไปเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัญญาเขากลายว่ามีกําลังอย่างอย่างแรงกล้าแล้วเขายังรู้บัญญัติชาวโลกไหมรู้ความเป็นหญิงเป็นชายไหมรู้ใช่ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมย่าพระพุทธเจ้าท่านรู้สมมุติบัญญัติไหมท่านไม่ได้ปฏิเสธสมมุติบัญญัติท่านเข้าใจสมมุติบัญญัติเข้าใจสัตว์บุคคลเข้าใจโวหารของชาวโลกและท่านก็ใช้โวหารของชาวโลกในการเทศนาะใช่ไหมแต่ท่านให้เข้าใจว่า การเข้าใจอย่างนั้นน่ะต้องให้รู้ว่ามเป็นสมมุติใช่ไหมท่านบอกให้ว่าอันนั้นมันสมมุติแต่พวกคุณไปยึดกันจริงๆเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยไปยึดได้ตัณหาบ้างไปยึดได้มานณบ้างไปยึดได้ทิฏฐิบ้างไปยึดได้ตัณหาวันนั่นเราไปยึดได้ทิมานณวันนั่นของเราใช่ไหมแล้วไปยึดได้ทิฏฐิวันนั่นอัตตาตัวตนของเราพระเจ้าจึงให้ถ่ายถอนว่า นั่นเราเนี่ยเป็นตัณหานะก็ให้เจริญทุกข์าวิปัสนาเสียให้เห็นด้วยความเป็นทุกข์เราเป็นนั่นก็ให้เจริญอนิจจานุปัสนาเสียไม่มีรอกที่เราไปเป็นนั่นบนนี้ให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเสีนั่นอัตตาของเราท่านก็ให้ไปเจริญอนัตตานุปัสน า, สาให้พิจารณาเพื่อจะลาคายวิฉาที่กิเป็นต้นเสียเดี๋ยไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธบัญญัติทางโลกแต่ว่าท่านสอนว่านั่นมันไม่ใช่ของจริงเอามาใช้กันด้วยความสมมุติเดิมทีเดียวเนี่ย เพระเจ้าสมมุติราษฎร์นี่นะที่เกิดมายังไม่มีสมมติบัญญตัติท่านเกามาสมมุติชื่อกันสมมุติเรื่องราวต่างๆกันขึ้น ม, ม, มาใหม่ๆเขาก็เข้าใจสมมุติมันพอสมควรเลยแต่พาสังสารวัตรมันยาวนานมาในสังสารวัตรเนี่ยมันยึดกันจนแท้จริงเช่นว่าพ่อเราไม่ยึดว่าพ่อเราเจะไม่จะตรงไหนพ่ออันนี้ีพูดในะภาษาปฏิบัตินะเดี๋ยวเกิดไม่มีพ่อมันยึดเบี้้าพ่อกันเรื่องทั้งไม่สอนอย่างนั้นะมีตรงไหนหพ่ออะไร ผมยมังเป็นพ่อเราคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับปอดหัวใจใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันไม่มีแต่สมมุติโดยความวันนี้อ่ะสมมุติเรียกว่าพ่อพ่ อ, อรายนี้อุป ก, การะคุณใช่ไหมเดียวกับการละคุณทำให้เกิดแต่คนที่ทําให้เกิดเราไม่ใช่แค่พ่อพ่อเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในหลายร้อยปัจจนะัยเนยทั้งนั้นเราต้องเรียกคนอื่นเป็นพ่อด้วยไหยตันหาก็เป็นพ่อเรานะังนั้นกรรมก็เป็นพ่อเราก็ทําให้เราเกิด ให้ม่ได้ขอบคุณกรรม อ, อะใช่ไหมแต่าทางศาสนาคริสต์เนี่ยพระเจ้าสร้างเนี่ยก็เลยขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมแต่ทางพุทธศาสนาบอกอย่าไปขอบคุณนะตัวทําให้เกิดเนี่ยอันนี้พูดถึงอวิชชาศาสนาเนี่ยต้องทําลายไม่ใช่อักตันยูนะแต่บัญญัติจริง น, นะฮ่าบัญญัติแต่ที่เราไม่ได้มาสื่อสายเราก็พูดยังไงเราก็คงไม่รู้หรอกใช่บัญญัติที่พารามาสื่อสายเราก็กเออเรียบคอเนี่ยก็อขเชื่ออะไรแนวเชื่ออะไร มันมมีตัวสภาวะหลงละเราถึงเรียกว่าจำได้วั น, นี้ก็มีแมหมาอะไรกันแ ล, แล้วพอไยินปุ๊บเราก็จำไดนน้นี่เรียกว่าตัวสภาวะลงละมีมีสภาวะหลงละใช่ไมอาจารย์แต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนงเนีย่ยจะรู้ไหมเนี่ยเขาไม่รู้เดี๋ยวอาาแต่ก็ก็ดูแค่ว่าเราไม่เรียนเรายังไม่รู้ <c oughs> ใช่ั้มคนอื่นแค่เราเลี้ยวเราไม่เรียนเรายังไม่รู้เลยใช่ไมจอาจารย์อาจารย์สอนอยูอย่างเงี้ยบอกว่า เดิอยู่เราก็รู้ว่าเราเดินใครเดินใครเป็นใครเดินใช่ไหมฮะถ้าเราก็ต้องว่าเราเดินเพราะว่าตามทางตามโลกข้างนอกอาจารถ้าเราไม่มาเรียนอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงไอตัวเดินนั่มันไม่ตัวก็ไม่ต่างอะไรนั้นทุกอย่างเหมือนเหมือนคนเหมือนคนไม่เรียนคณิตศาสตร์เขาก็ไม่รู้คณิตศาสตร์ไม่เรียนวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่รู้วิทยาศาสตร์ไม่เรียนวิชาแพทยศาสตร์เขาก็ไม่รู้วิชาแพทย์เราเนี่นั่นก็ทั่วไปทุกคนก็เป็นแบบนั้นที่ทำสอนงูเจ้าก็เหมือนกันคนที่ไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้ ทีนี้เมื่อไม่รู้ก็ปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกก็พ้นทุกข์ไม่ได้ทีนี้พ้นทุกข์ไม่ได้ไปต่อรองว่าทำไมเราพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้แล้วพรก็คณไม่ไม่ศึกษาเมื่อไม่ศึกษาก็พ้นทุกข์ไม่ได้เอาอยากพ้นทุกข์อ่ะคุณก็อยากไปสิเหมือนว่าอยากรวยแต่ไม่รู้วิธีการจะทํารับไม่รู้เลยก็ยาก็อ้อนุได้ก็้อนวอนเลยใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นท่านตรงนี้ก็ต้องเข้าใจในคําสอนของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเวนายชนใช่คือ เวเนยชนเนี่ยแปลว่าบุคคลผู้มีวินัยมีสังวรวินัยหรือประหาวินัยก็หมายความว่าบุคคลที่จะเป็นพุทธเวเนยหรือสาวกเวเนย์เนี่ยถ้าพุทธเวเนยก็คือว่าอัธยาศัยต้องฟังจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้ถ้าเป็นสาวกเวเนย์คืออัธยาศัยที่วักฟังจากพระสาวกก็บรรลุได้เนี่เราอยู่กลุ่มเวเนยชนเนี่ยถ้ากลุ่มเวเนยชนเนี่ยเออและตอนนี้ไม่มีพระเจ้าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเราฟังเราศึกษาไป แล้วก็จะเป็นปัจจัยในการพ้นทุกข์ได้ทีนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เวีนอายสุสมชนเพราะเขาไม่ได้ตั้งอัธยาสัยไว้บอกแค่ไหนก็ไม่มาแล้วก็ต้องเข้าใจยังไม่ตรงนั้นนี่ยถ้าเขาไม่ได้ตั้งอัธยาสัยไว้ในอดีตเลยเนี่ยก็เหมือนคนบางคนเอ๊พ่อแม่ก็ดีญาติพี่น้องก็ดีทําไมลูกเกอเขาอัธยาสัยก็ตั้งไว้อย่างนั้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของความหลากหลายของสังคมเจ้าแม่อาจารย์วันวนี้ไอ้พูดถึงการศึกษาเนี่ยนะ จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเอามาวิจัยวิจัยกันทำไมถ้าถ้าอย่างเราเนี่ยเราได้มีโอกาสจะมาฟังเราเราได้เปลียบแล้วเราได้ตอกฐานแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มาฟังเนี่ยคนรกระแสเราเนี่ยเราเร่องอย่างนี้จะไปคุยกับคนนอกไม่รู้เลยอ่ะทีนี้ที่ทาไมอ ง, งค์การของเราจึงไม่มวางโซนมันคนข้างนอกมัรู้เรื่องอย่างนี้น ใช่ไหมเขาเหมือนในสุนัขบ้านานึ่งนักดกิ่งจอเสียอาจารย์สอนนะฮะเขาก็รู้เดินนอนเนี่ยเขาพอรู้เขายังเสียเราเลยเขาฝัดเป็นในคนนะฮะเ้าบอกคุณต้องไปเรียนอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตมนุษย์โอยก็ไปหาหมอสิไอ้นี่อย่างนี้นี่แล้วพอฟังอย่างนี้เราเหมวนฝนกระแสนะเพราะฉะนั้นักคนข้างนอกเนี่ยเหมือนเราก็เข้าไม่อยู่บนฝนเราลงนี่เวลาเรามีอาชีพเนี่ยเราต้องไปสอนดูข้างนอกเราต้องไปหากินกดูข้างนอก เราได้เปลี่ยนเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแต่เราเป็นผู้ได้เปลี่ยนเพราะเราเราได้าาศึกษาําสอนพิจารณาเนี่ยแล้วข้างนอกเนี่ยเราไปพูดก็ต้อทะเลาะกันใช่มฮะทะเลาะกันเรื่องเขียงเรื่องมาทวนมาเสแสร้งเ น, นี่ยเ น, นี่น ย, ย <c oughs> ตัวเนี่ยทำไมไม่พิาพ จ, พจารณ์กิจารณาได้ชันแล้วก็ออกโครงสร้างมาสอนคนชั้นคนข้างนอกข้างกข้างนอกข้างไนนักเรียนกับคนเรียนเลย คนทางนี้จะมีน้อยแล้วก็คนข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยได้ปฏิบัติเยอเพราะฉะนั้นจะสวนสวนอะวนกันแลสวถ้าเราไปยกันข้างนึงเหมือนเราแม่เคร่งแม่พวกปฏิบัติเหมือนก็เข้าเขาไม่ได้อย่างนี้มันมันอะไรในโลกเราดูแลเราเข้าใจอ่ะจริงๆเราเข้าใจเขาอ่ะเอางี้ดีกว่านะจะเล่าเรื่องประวัติของนางวิสาไทยก่อน เนี่ยตอนนี้จะเล่าอีกสั้นิดนึงจะได้จะได้ชัดเจนไม่ได้จะจะจะได้จะได้ ไ, ดไดม่มาถกกันใช่ไหมคือนาำวิสาขาจะมีบริวารประมาณห้าร้อยเนี่ยในห้าร้อยคนเนี่ยเป็นคนไม่ vin, ปฏิบัติธรรมหรอกแต่ น, น้ำวิสาขาปฏิบัติธรรมใช่ไหมไปไปมาก็อ้างอ้างอ้างพอต้องการจะออกจากครอบครัวเนี่ยออกจากสามีออกจากแรงต่างบอกว่าอ้างว่าจะไปฟังธรรมกับน้ำวิสาขาแต่วัตถุประสงค์คือ น, น้ำมีต้องการจะกินเหล้า ทุกคนก็เอาเล่าส่อนใจกับกะขวดสองขวดใช่ไหมก็ตามนางวิสาขาไปเพราะตามนางวิสาขาไปก็ยกเหล้าดื่มไปเรื่อยยังไม่กินไปเรื่อยนางวิสาขาไปฟังธรรมนี่ก็ไปเขาเมาแอนกันทุกคนนั้นตั้งห้าร้อยผู้เจ้าแสดงธรรมในขณะผู้เจ้าแสดงธรรมเนลุกขึ้นล้มกันแล้วใช่ไหม้็ทางโลกมันก็เสือทางโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแ่ะจริงๆว่าถ้าไม่อ้างใช่ไหมอ้างใช้อ้างนางวิสาขาถ้าไม่อ้างก็ออกจากบ้านไม่ได้เพราะสามีไม่ออก ก็เอ่ะใครเข้าเกงใจนางวิสาขาอยู่ตอนนี้ก็เป็นเป็นบริวารพระพุทธเจ้าก็ก็จหนีก็จะนีว่าเนี่ยกรณีที่ว่าถ้าข อ, ของมึนเมาเข้าสู่ในร่างกายแล้วเนี่ยคือปกติมนุษย์มันก็เมาอยู่แล้วมันก็เมาอยู่แล้วมไม่ต้องไปเติมเชื้อพวกนี้นกับเมาก็จะเต็มบ้า น, นเต็มเมืองอยู่แล้วจะไม่ใช่ยิ่งไปเติมเชื้อก็ใบใหญ่แต่นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่รู้จากพระรัตนตรัยแล้วพระรัตนตรัยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงความเคารพในพระธรรมคําสอนยังไงไม่ต้องพูดถึงแล้ว โดยปกติน่ยความเมาเนี่ยมนุษย์เมาอยู่แล้วเนี่ยเมาด้วยความโลภโกรธด้หลงอยู่แล้วทีนี้พอเอาแอลกอฮอล์ไปเติมเชื้อเข้าในกระแสอราเหยียดตอีกแต่เนี้ยไม่ร้องพูดถึงแล้วอากับกิริยาอะไรต่างๆที่ไม่เคยทำประทมตอนหน้าพระพักตรองพระของผู้มีภาพระญากรุกขึ้นมารลับฟังเสียงเทศของพระเจ้ากลายเป็นเสียงเพลงไปแล้วขนาดพระพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีมาขนาดนั้นใช่ไหมก็ยังมีคนไปกระทำกิริยาการที่ไม่น่า นี่ไม่น่าพึงพอใจขนาดนั้นะนะนั้นถึงบอกว่าคนเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยในสมัยท่องพุทธการนะเอาแค่วันในสมัยท่องพุทธการนะคนที่น้อมที่จะฟังธรรมก็ส่วนหนึ่งนอกนั้นก็น้อมประพฤติปฏิบัติในทางที่เสียาหายแต่รงนี้ถ้าเราเข้าใจบริบทของสังคมมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าหนึ่งรักษาสถานภาพของตัวเองให้ดีใช่ไหมอยากให้ถูกดึงไปแค่นั้นแหละใช่ไหม ไปอยู่หนะ้าที่ไหนสาวกของพระเจ้าจะไม่ถูกคนอื่นคือดึงเข้าไปเป็นพวกมีแต่จะดึงคนอื่นเข้ามาต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องต้องแข็งแรงจิตต้องเข้มแข็งกายวาจาใจเนี่ยต้องน้องก็หาว่าทำยังถ้าในกรณีอย่างนี้ก็อย่างที่อาจมายกตัวอย่าง ม, มีหมออีกคนผ่าตัดแต่กอนนี้โอ้โหเป็นประเภททวาประเภททวาเห็นเนนนงินเป็นใหญ่ หมอผ่าตัดเนี่ยตกแต่งแรงตางวันวันผ่ายี่สิบถึงสามสิบลายวันหนึ่งรายได้หลายแสนเฉพาะวันวันรายได้หลายแสนโกงเงินตลอดต่อมาก็มาศึกษาพระไตรปิฎกฟังพระธรรมพอศึกษาพระไตรปิฎกฟังพระธรรมมาเดียวนี้ผ่าตัดเขาปีแล้วไปที่ไหนแต่ก่อนฟังเพลงเดียวนี้ฟังพระธรรมใช้แบบเสบ้าเสียหูเนี่ยนะผ่าตัดไปแต่ก่อนฟังเพลงไปผ่าตัดไปเดียวนี้ฟังธรรมะไปผ่าตัดไป พาตาตะบุญโรงพยาบาลไหนไม่มีเพราะตาระดัดมือดีๆแกสมัครไปทําให้เป็นศิเห็นไหมว่าจากคนนั้นทำงานเหมือนเดิมอยู่ในสังคมเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะใจน้อมต่อหาพระธรรมทําอะไรทุกอย่างบูชาพระราชาอะไรเห็นไหมเขาก็อยู่ในสังคมแล้วเขาไม่เคยรังเกียจความหลากหลายของสังคมแล้วถามว่าใครจะฟังพระธรรมแล้วก็น้อมที่จะคุยแล้วก็น้อมที่ให้ศึกษาพระธรรม เขาค่อยเก็บเล็ขผสมน้อยไปอย่างเนี้ยแล้วเขก็ทําทุกคนแล้วไม่ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วเพราะชีวิตอยู่เพียงแค่ข้าวสองมือ้อจะถือสินแปดด้วยทุกวันจะถือสินแปดข้าวสองมือ้อเสื้อผ้าก็ามีจําเป็นต้ อ, องไปแต่งไปได้รดูหลาแล้วรถก็มีแค่คันเดียวแต่ก่อนมนะีหลายคันก็ขายขายขายทิ้งมาเงินทองนี้ก็ทําบุญทํำกุศลเจริญมาเพราะชีวิตมีความสุขมากแต่ก่อนเนี่ยมีทุกอย่าง แต่ไม่เคยรู้เลยว่าความสุขมันคืออะไรเห็นั้ยชีวิตถ้าเข้าถึงคำสอนได้แค่ระดับหนึ่งนะก็ยังมีความสุขตั้งเตียงนะไม่ต้องเอาความสุขไปไว้ข้างหน้าเ็เรียนครอบครัวสอนคนจีนไงนะเออเาค้าเขารวยมากเลยเขามีมันทองมากมายมีเมียีมีลูกดีมีทุกสิ่งทกอย่างทั้งโง่กงนก็ถามอาจารย์ที่สอน เขาถามผมอาจารย์ผมถามจริงๆเคยผมมีทุกอย่างอยาจะอะไรอผมมีดีทุกอย่างผมก็สบายเงินผมก็เยอะเมียผมก็ดีลูกผมก็ดีครอบครัวผมดีทุกอย่างแต่ทําไมผมถึงทุกข์งั้นก็ถามคเนี้ยเนี่ยแล้เวลาเหมือนอย่างแล้ครอบครัวที่เล่นดูอยู่ความจริงครอบครัวที่เล่นให้อนเมียให้ทุกคนอยู่ในเขตของคนแต่เราดูสิ่งแวดร้อมที่อยู่กับเราบริวารเราครอบครัวเนี่ยเรารู้แล้วอย่างช่วยกัน ภรรยามาฟังคาเข้าใจดียแต่เรื่องในครอบครัวมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจลูกก็ลูกเขาพูดก็ไม่ฟังแม่เพาอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องคำเข้าไม่ได้เรียนใช่ไหมแล้วพอแม่หนักหนา้าแม่ก็ต้อพูดไม่ทันกังเลยปล่อยเลยแม่ก็เลยรู้อยู่คนเดียวเพรฟังคามาต้อปฏิบัติได้คนเดียวก็ไม่โกรลูกไปโกรธใคตรงนี้ตรงนี้ต้องรู้เหตุปัจจัยนะบางทีเราเกิดมาเนี่ยทําไมเรามีบริวารไม่เชื่อฟังนี นั่นเกิดจากกรรมที่เราทํามาไม่ดีการให้ทานในดีหนึ่งเราให้โดยไม่เคารพสอ ง, สองไม่เชื่อคํามและผลของกรรมสามใช่ไหมไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ด้วยมือตนเองไม่ให้ด้วยมือของตนเองไม่ให้ด้วยความนอบน้อมไม่เชื่อคํามและผลของกรรมมันก็น้อมมาที่จะได้บริวารดื้อบริวารเถียงนี่บริวารไม่เชื่อฟังน้อมมาที่จะได้ของก็ได้จนไม่ค่อยดีได้อะไรก็มีปัญหาถูกโกงถูกลักถูกแย่งถูกชิงอยู่ตลอด อันนี้มันทมันต้องโทษอะไรกรรมที่เราทําในอดีต เ, เราแก้ไขได้ไหมให้องโทษกรรมนี่แหละใช้ไม่เชียดมันทุกวันนี้ <c oughs> อ, อะไรพยนตร์ใช้แล้วพยนกรรมมั้ง <c oughs> มาตรงเนี้มันแก้ปัญหาเด็กไม่ค่อยได้เ <c oughs> ถ้าเราเนีศึกษาแล้วเราฟังดูแล้วมัน ม, มันไม่แก้เปรตเรงโทษกรรมน ะ, ะเรื่องตรงนี้ไม่ใช่โทษกรรมเพราะกรรมเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ถามว่าเราปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบันได้นนั้มมันได้ส่วนหนึ่งแล้วอาจารย์เชื่อไหมฮะได้หรือล่า แต่ผูกรครอบครัวเนี่ยลูกบ้ า, เ า, เางเนี่ยเคยดูลูกหลานเราเราก็ดูลฟังนะว่าเวลาผู้กรลูกหลานเนี่ยเอ่อเขาไม่เข้าใจเรื่สำคัญในางานชีวิตเขาจะต้องเป็นตามรูแบบของเขแต่แม่เนี่ยจะเป็นสายปฏิบัติทำมากม็อยากให้ลูกไปนี้ไป น, นี้เขาไม่รับฟังทีนี้พอหนักหนักเขารับทกคนก็ร้อว่าเขาไม่ได้พูดไม่ได้บางคนเขไม่ชอบก็ปล่อยเลยพอแม่ปล่อยแล้วอันนี้ก็ะโโตกบเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของกัน กรรมีจริงไม่จริงเห็นไหมเราเรียนมาเราเชื่อคือตรงนี้มันต้องเข้าใจตรงนี้ไปก่อนว่ากรรมคืออะไรก่อนใช่ไหมต้องศึกษาเรื่องกรรมวิ้ีกรรมคืออะไรในขณะที่เรากระทาอยู่ทุกวันนี้คือเรากระทากรรมต้องเข้าใจตรงนี้ใช่ั้มเราพูดก็เป็นเวจีกรรมเราแสดงออกมาทางกายก็เป็นกายกรรมเราคิดก็เป็นมโนกรรมฉะนั้นทุกคําที่เราพูดทุกียาบทที่เราเคลื่อนไหวและทุกความคิดที่เราคิดนั่นเป็นกรรม ทั้งวัดถามว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าดีเป็นกุศลกรรมถ้ามันไม่ดีก็เป็นอากุศลกรรมถ้าเราเข้าใจตรงนี้เสียเนี่ยทุกอย่างที่เราทํานั้นมันจะมีผลรองรับนใ้รองรับนี้นถัดๆไปแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นคือสิ่งที่เราเคยทํามานี่ยแต่เมื่อเราได้รับและสิ่งที่เคยทามาแล้วเราจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไนต้องเข้าใจใช่ไหมเหมือนบอกว่าหนึ่งเราเกิดมาในโลกใบที่เรามาดูอะไรหนึ่งดูคนทํากรรมแล้วก็ดูคนที่เขารับกรรม และดูเราด้วยใช่ไหมรเราก็กําลังรับกรรมแล้ว ก, กำลังทํากรรมใหม่รับผลของกรรมเก่าแล้ว ก, กาลังทํากรรมใหม่มันสืบเนื่องมันหมุนเวียนเองเขาเรียกว่าจักรศีจักสีกส่คืออะไรดิน น, น้ําไฟลมที่หมุนไปตามอิยาบทศีดินน้ําไฟลมที่มันหมุนไปเป็นอิยาบทเดินดินน้ําไฟลมที่หมุนไปเป็ น, นป อ, ปอิยาบทนั่งดินาน้ําไฟเดไฟลมที่ไปหมุนไปอิยาบทนอนแล้วก็ดินน้ําไฟลมที่หมุนไปในอิยาบทยืนนี่เขาเรียกจักสี่ ทวารเก้าพืตาหูจมูกเล่นกายทวารหนักทวารเบาทวารเก้าและจากสี่ทวารเก้าเนี่ยมันหมุนไปอย่างนี้มันหมุนไปตลอดทีนี้มาเข้าหลักตรงนี้ก่อนนนะท่าบอกว่าการเดินของใครเนี่ยท่านถึงบอกว่าไม่มีการเดินของสัตว์ตัวไหนหรือเป็นการเดินของใครคนไหนอีกเช่นกันการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การเข้าไปพิจรารณาเห็นสัตว์บุคคลตามสมมุติตามของชาวโลกซึ่งชาวโลกเขาไม่ได้แยกแยะเพื่อเจะละ วิปลาสใช่ไหมหรือละกิเลสต่างๆถ้าเข้าไปเห็นตามโดยความเป็นสัตว์อย่างชาวโลกแล้วนั่นไม่ใช่เป็นการเจริญสติปัฏฐานเพราะไม่ใช่ข้อปฏิบัติอย่างนั้นไม่สามารถเป็นปัจจัยในการพ้นทุกข์ได้เอาเปิดดูหน้าต่อไปนะสามารถทีนี้ผู้ที่กําลังเจริญสติปัฏฐานดังที่ได้บอกว่าเขารู้ไหมเขารู้สมมุติบัญญัติของชาวโลกไหมรู้สัตว์บุคคลไหมรู้แต่ ไม่ได้สําคัญมั่นหมายด้วยสัญหาและมานะและทิฐิเขาไม่ได้ไปรู้อย่างนั้นแต่เพราะเขาจําแนกแยกแยะอย่างละเอียดตามพระธรรมคําสอนโดยเป็นอัตยาศัยนะถามว่าคนที่ศึกษาคําสอนหรือประพฤติปฏิบัตินี่เขารู้ชัดเขารู้รอบรู้ทั่วรู้เหตุรู้ปัจจัยเปรียบสเสมือนนายช่างผู้ชนานํานาญเกี่ยวกับในเรื่องรถใช่ไหมถ้าถามบอกว่าเขาสามารถแยกแยะชิ้นส่วนต่างๆของรถได้ทุกชิ้นส่วนไหม ตายหมดแล้วเขารู้ชัดไหมชัดก็ เ, เป็นช่างที่ชนานาญมากเกี่างนี้การประกอบรถยนต์เหมือนที่พระเจ้าบอกว่าเนีที่บอกไอ้บอกเอ่อเกศอภัยราชชุมาเนี่ยบอกเังเป็นช่างรถนี่ใช่ไหมท่านรู้ไหมเวลามีใครมาถามอ่ะว่าชิ้นส่วนของล้อของรถอะไรต่างๆบอกรู้หมดเลยรู้ด้วยว่าทําจากอะไรอะไรอะไรรู้หมดรู้ราคาเท่าไหร่ด้วยยี่ห้อนี้ดีหรือไม่ดีใส่แล้วทนขนาดไหนเป็นต้นอะไรเนี้ยฉันใด ฉะนั้นคนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นเขารู้ชัดรู้ลึกรู้รอบรู้ทั่วรู้เหตุรู้ปัจจัยด้วยเมื่อเขารู้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้เบ็ดเสร็จเขาก็รู้ว่านี่สมมุติบัญญัติเป็นอย่างนี้ที่ไม่ใช่สมมติบัญญัติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นการที่เขาจะแทงตลอดอริยสัจเป็นต้นเหล่านี้ได้ก็คือการที่เขารู้เหมือนกับคนที่สามารถที่จะรู้ว่ายืนเดินนั่งนอนต่างๆก็ไม่ต่างอะไรกับรถเนี่ยรถวิ่งรถไปรถหยุดเป็นต้นเหล่านี้ ทีนี้ถามว่าจิตแตวาโยธาต์นี่นะที่ก็ถามมาเดินเพราะเหตุอะไรเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าเดินไปได้เพราะฉะนั้นทิศสุรู้ชัดียาบทอย่างนี้ว่าจิตคือความคิดที่เกิดขึ้นว่าเราจะเดินจิตนั้นจะให้วาโยธาวายโยธาคือธาตุลมนะเกิดขึ้นจะให้การไหวของวาโยธาเกิดการเคลื่อนไหวทั้งหมดของกายทั้งหมดก็ไปข้างหน้า ในการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากกิเลสของจิตนี่เรียกว่าเดินไอ้ตรงนี้ตรงนี้ต้องทาําความเข้าใจนี่นะว่าเดินไปได้เพราะการเพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาคือธาตุลมที่เกิดจากจิตฉะนั้นความจริงการเดินเนี่ยเดินได้เพราะจิตแต่วชวายโยธาเนี่ยไอจิตแต่ชวาโยธาในที่เนี้ยคือจิตทําให้เกิดขึ้นเวลาจิตคิดว่าเราจะเดินเนี่ยเพราะจิตเนี่ย ทีนี้ปริมาณของจิตที่คิดเนี่ยมากไหยคิดว่าจะเดินเนี่ยมากหรือน้อยปริมาณของจิตที่มากไหยมากจิตเนี่ยลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยเกิดแสนโกดขนาดนมากกว่าแสนโกดครั้งนี้ปริวิธีคิดว่าเลยจะเดินเนี่ยโอ้โหปริมาณความคิดเนี่ยมากฉะนั้นโดยปริมาณของความคิดที่มากเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจิตแต่ละชาวนะแต่ละอย่างโดยเฉพาะจิตที่คิดจะเดินเนี่ยเป็นชาวนะทางมโนทวารนะ ทางปัญจตวารเนี่ยทําทำยาบทให้เคลื่อนไหวไม่ได้คือทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแต่ทางมนโนคือทางใจเนี่ยคิดดาริดเกิดขึ้นมาเนี่ยชาวนะเกิดขึ้นหลายหลายล้านหลายล้านชาวนะหลายล้านหลายพันชาวนะทีนี้เวลาชาวนะจิตเกิดขึ้นเนี่ยจิตนั้นก็เป็นปัจจัยแก่แก่ลมมันจะมีธาตุลมนะธาตุลมก็จะวิ่งพัดผันไปตามอาวัยวะน้อยใหญ่ ใช่หมถ้าคิดว่าจะเดินเนี่ยธาตุลมนั้นก็ทําให้พัดผันไปตามอาวัยวะน้อยใหญ่ก็ทําให้ทําให้เกิดวายโยธาเนั่ยแหละเป็นเหตุทําให้ยาบทเดินฉะนั้นยาบทเดินก็บอกว่าเกิดขึ้นได้กเพราะมีวายโยธาพิสุรู้ชัดอยาบทเพราะรู้อย่างนี้ว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นคิดว่าเราจะเดินจิตก็จะเป็นปจัจจัยเกิดวายโยธา วายโยธาก็จะแผ่ขยายไปทันทีในขณะที่จิตคิดใช่ไหมทำให้อวัยวะต่างๆมีแข้งมีขาเป็นต้นที่เคลื่อนไหวทำให้กายทั้งหมดโน้มไปข้างหน้าเข่าใจไหมมีกายทั้งหมดก็เริ่มโน้มไปข้างหน้าอียาบทเดินก็เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของกายทั้งหมดที่เป็นอียาบทเดินนี้เพราะการแผ่เขาขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากจิตอันนี้เรียกว่าการเดินมองเห็นไหมใช่ไหมที่เรียกว่าเดินเนี่ย มีการมีการเคลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมขาก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เฉพาะขาใช่ไหมยาบดทั้งหมดมีการไปข้างหน้าแล้วแต่อาการที่ไปข้างหน้าได้เพราะมีธาตุลมพัดผ่านอยู่ภายในพัดไผ่ไปตามอวัยวะตามเส้นเอ็นต่างๆอวัยวะต่าวคือขาก็มีการก้าวไปมือก็มีการขยับกายท่อนบนก็มีการโน้มไปข้างหน้าก็มีการเดินไปเป็นระยะระยะใช่ไหมนั่นแหละเพราะมีธาตุลม ธาตุลมพัดผ่านไปแต่เบื้องหลังของธาตุลมคือคือจิตเบื้องหลังของจิตก็คือมีเป้าหมายวัตถุประสงค์บางครั้งก็อารมณ์บางครั้งก็รู้บาลลมเป็นปัจจัยการเดินบางครั้งก็ศรัทธาลมเลยเป็นปัจจัยการเดินนะคือได้ยินเสียงเรียกลัะไปเงี้ยบางครั้งก็ตล่นหอมๆก็ไปเงี้ยเดินบางครั้งก็รออาหารเนี่ยอยากกินอาหารดีๆก็เดินไปบางครั้งก็ไปอยู่ตรงนู้นอากาศดีหน่อยก็เดินไป บางทีกระจายชิ้นนึกเอนัดหมายคนนั้นไว้ก็เดินไปเนี้ยฉะนั้นเบื้องหลังของจิตนั้นคืออารมณ์หกรูปอารมณ์สต า, ารลมกันดารมลมรัส า, ารลมโผฏฐ า, ามลมและธรรมะลมนะเป็นปัจจัยอารมณ์เป็นปัจจัยแก่จิตจิตเป็นปัจจัยแกวย่วายโยธาวายโยธาก็ธาตุลมก็เป็นปัจจัยแก่การหมุนทําให้อายาบทเคลื่อนไปอายาบทที่จะเคลื่อนไปได้นั้นก็มีจิตแต่ชวายโยธาเท่านั้นคือดินน้ำไฟลมนั่นเองมันพัดผัน ทีนี้มันไม่ใช่ว่าโลกที่เกิดจากจิตทั้งนั้นที่มันเคลื่อนไปตอนนั้นโลกที่เกิดจากกรรมเคลื่อนไปด้วยไหมตาหูจมูกลิ้นกายไปด้วยวะตาหูจมูกลิ้น ก, กายก็ไปด้วยโรคที่เกิดจากอาหารก็ไปด้วยโรกที่เกิดจากวัตถุก็ไปด้วยโดยเบ็ดเสร็จก็คือรูปที่เกิดจากสมูธฐานทั้งสี่ก็เคลื่อนไปด้วยเนี่ยเรียกว่าสัตว์เดินเข้าใจยังจึงสมมุติเรียกกันว่าสัตว์เดิน แท้ที่จริงนี่ยมันไม่มีคําว่าเราเดินหญิงเดินชายเดินนะในขณะนั้นเนี่ยเพราะมีจิตคิดเพราะมีธาตุลมพัดผันเพราะมียาบทมีที่ไหนยาบทไม่ใช่เราธาตุลมก็ไม่ใช่เราจิตที่คิดก็ไม่ใช่เราวัตถุประสงค์มีรูปาลมเป็นต้นที่เราปรากปรนหรือจะไปเอาก็ไม่ใช่เรามันมีเหตุปัจจัยในการเดินไปอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าสัตว์เดินนั่นแหละเรียกว่าหญิงเดินที่สมมุตินั่นแหละเรียกว่าชายเดินนั่นแหละเรียกว่าเราเดินเขาเดิน มันจึงสมมติเรียกกันแบบนี้ว่างั้นปุจจาวากันนะจึงสมมติเรียกกันอย่างนี้นี่คือสมมุติเรียกแต่ความจริงนั้นทำว่าสัตว์บุคคลหญิงชายเราไม่มีอยู่จริงอาการเดินเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างนี้เธอรู้ชัดอย่างนี้รู้ชัดอารมณ์รู้ชัดจิตรู้ชัดจิตจะจิตทัศวายโยธารู้ชัดอิยาบทที่หมุนไปใช่ไหมให้เข้าใจตามความจริงอย่างนี้ แล้วจะได้คลายถ่ายถอนความเข้าใจผิดจะได้ถ่ายถอนความเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกให้ได้ไม่ใช่ไปเห็นครั้งเดียวรู้ครั้งเดียวนะเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆใส่ใจบ่อยๆไข่ครวนบ่อยๆนั่นแหละถ้าทำบอกว่าเอาทํายังไงเจ็ดปีอยู่งนั้นนะทําแบบเนี้เจ็ดปีอ่ะเจ็ดปียกไว้หกปี หกปียกไว้ห้าปีห้าปียกไว้สี่ปีสี่ปียกไว้สามปีสามปียกไว้สองปีสองปียกไว้กันหนึ่งปีหนึ่งปียกไว้หกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนยกไว้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือ น, อนยกสิห้าวันเจ็ดวันบรรลุได้บางคนมีปัญญาดีอะเจดวันได้เป็นผ้า น, านาคาหรือผ้าหันนะถ้ารู้ชัดอย่างนี้เนะเพราะงั้นนะเนาะก็ไล่ยปไม่เกิเจ็ดพระเจ้าจบอกอันนะี้สอไว้แค่นี้ นี่สแสดงเหตุชาติที่ผ่านมาไปเลยเจ็ดปีแล้วที่เรายืนเดินนั่งนอนเราทําผิดถึงไม่ได้อะไรถ้าอย่างนี้มันชัดแล้วอนี้มันทําไม่ถูกถ้าทําถูกแบบนี้ก็ต้องเพราะพระองค์บอกอา น, นิสงส์ไว้นี่ไม่เกินเจ็ดปีใช่ไหมสแสดงว่าทาผิดแน่เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดตรงเนี้ใช่ไหมอะไรละเอียดเ พ, เพราะพระพุทธเจ้าบอกอา น, นิสงส์ไว้ทําจริงๆอย่างจริไรตัวจริงๆ โอ้น่าเสียดายว่าอยู่มาตั้งหกสิบเจ็ดิบกว่าปีแล้วเนี่ยแค่เจ็ดปีแค่นั้นเองเจ็ดปีจำผิดมันต้นใช่ไหมเจ็ดปีแค่นั้นเองท่านบอกวันที่สอใช่ไหมถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ตอนนี้เราก็สบายใจแล้วมอะไร ทีนี้กายยาบทยดยืนก็เช่นกันในความคิดเกิดขึ้นว่าเราจะยืนจิตนั้นก็เป็นปัจจัยให้วาโยธาเกิดกายทั้งหมดนั้นก็ถ้าว่าถ้ายืนเนี่ยกายภาวะที่กายทั้งหมดตั้งแต่ส่วนที่สูงสุดก็คือศีรษะไปจนถึงเท้าก็จะยืดขึ้นยืนนนะี่นะให้สังเกตเูยนะพอจิตคิดจะยืนเนี่ยหนึ่งส่วนบนคือศีรษจะจนถึงเท้าเนี่ยอาการจะอยู่เนี้ยยืดขึ้นได้ดีใช่ไหม กาจัชะการกรูปกายก็จะยืดขึ้นฟื้นขึ้นมาตามลดับเนี่ยก็จะมันยืดขึ้นเนี้ยไอ้ที่มันยืดขึ้นได้มีธาตุลมภายในหุ่นะมันมีจิตคิดอยู่เบื้องหลังใช่ไหมกายก็จะยืดขึ้นปุ๊บเนี่ยดูส่วนบนเนี่ยเนี่ยรเรียกว่าสาัตวย์ยืนใช่ไหมเรียกว่าสัตวยืนเรียกว่าหญิงยืนชายยืนสมมุตินะใช่ไหมเหมือนหุ่นยนต์ไหมถ้าเหมือนหุ่นก็บอกเนี่ยหุ่นก็บอก มันหุ่นก็บอกมันมีไอหุ่นก็บอกมันมีอะไรมีคนชักมีสายชักมีตัวหุ่นใช่ไหมันมีมันมีคนชักนี่แล้วก็าตันอุบมาไว้ไงมีมีมีตัวหุ่นมีสายชักมีคนชักไอคนชักน่นเหมือนจิตไอสายชักเหมันธาตุลมไอตัวหุ่นเนี่ยเหมือนอิยาบทเนี้ยนะแต่เราไปดูมันโอ้เหมือนหุ่นมนุษย์เน่ยเหมือนหุ่นระวังนะเดี๋ยวต่อไปมันชักอยงเง้นไม่ยอมยืด พอแก่ตัวไปใช่ไหมโอใจและลําบากแล้ ว, ลลวความเบาความอ่อนความทวนนี่นี้จิตก็คิดอยากจะยืนมันก็ยืนไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรอะตอเนี้ยมันได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วตอนนั้นจะไปไขควนยังไงยืนก็ยืนไม่ได้เลยพิจารณาเยียวยืนไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะพิจารณาไม่ได้ในชีวิตพวกเราเนี่ยใช่ไหมใช่เพระแก่ตัวไปว่าเยียวยืนรูปกายยื น, ยยนไม่หรองไม่ไม่ออกแล้ว ยืนไม่ได้แล้วใช่ไ้มธาตุลมภายในวิ่งไม่ได้เส้นเอ็มยึดหมดแล้เรียบร้อยกาหนดยาบวดยืนไม่ได้ใช่ไ้มลำบากเลยอันนี้สมัยถมัเมื่อธาตุพิคนไม่ต้องบำรุงถ้าพิคนพิกายการใดอย่างใดอย่างถ้าเกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุก็เหมือนกาดมาเนี่ยที่บอกว่า ลูกแต่ก่อนอาตมาไม่เข้าใจรูปประขันเนี่ยมันทำอะไรรูปประขันอย่างไงใช่ไหมลองเป็นขันธรรมะหน่อรูปประขันมันทำลายตัวรูประขันอย่างไรนะเขาไม่เข้าใจมีอยู่ข้างนี่ยธรมาเนี่ยไปปีบป่วยไปโรงพยาบาลก็ไปถามพี่หมอที่อาตมานี่เป็นไงที่ว่าไตเนี่ยมันพังเร็วกเลยใช่ไหมเป็นเพราะอะไรก็ว่าอะไรมันทําให้ไตมันพังหมอก็อออเมล็ดเลือดขาวเนี่ยมันเป็นตัวทําลายเชื้อโรคท่านบอกงั้นคือ อ น, นุมาลนี่ถึงเราศึกษาว่าทำมาพวกหมอพวกนี้เราอ๋อมันเรีเกเลือดขาวมีเลือดแดงเลือดขายตัวเลือดขาวจะป้องกันเชื้อโรคให้เวลาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของท่าเนี่ยไอตัวเม็ดเลือดขาวมันจะเข้าไปทําลายอันนี้แปลกดีอย่างท่านเนี่ยมันไม่เข้าไปทําลายเชื้อโรคแต่มันวิ่ง ไ, ไปที่ใวิ่งไปที่ตายทุกทีว่า้นมันจะวิ่งไปอย่างมากเลยไม่ได้เลือดขาวแต่มันกลับไปยิงเข้าไปที่ตายแล้วไปทําลายที่ตาย อ, อนมาลเข้าใจแล้วดีดินน้ําไบลมมันทําลายดินน้าไบลม นี่กรรมนะเน enfin ี่ยไอ้ดินน้ำไบลมเนี่ยใช่ไหมที่มันเกิดจากกรรมเนี่ยมันวิปริตในตัวงมันเองมันก็ทําลายตัวมันเองเมื่อมันทําลายตัวมันเองแปลวันไปทําลายกรรมมาชีวิที่เกิดจากกรรมมันทําลายกันเองแล้วรูปขันทําลายรูปขันเวทนาก็ทําลายเวทนาสัญญามันทําลายซึ่งกันและกันใช่ไหมเขาถึงบอกไอ้ขันธามารไงพระเจ้าวะเนี่ยฉะนั้นจริงๆแล้วมันทําลายตัวมันเองอยู่ตลอดเวลามันแตกดับอยู่ตลอดเวลามันฆ่ากันเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ มันเป็นเพชฌฆาตไงที่พระเจ้าเป็นเพชฌฆาตเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากผู้เห็นชัดแล้วเป็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันทําลายตลอดเวลาแล้วมันแก่ไปได้ไงถ้ามันสุดโสมไม่ได้ไงแล้วมันไม่ทําลายเห็นไหมมันทําลายแล้วตอนเนี้ยเราก็ยังบอกว่า อ, อ, อยูอย่อีกนานป่านฝุ่ยทนแบบพิจารณาสบายเลยแล้ก็บอกว่าคนเป็นหมอนะคนเป็นหมอเนี่ยเรียนขัตติฉันนี่ยอม ย, ยอมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ ป่วยเนี่ยยิ่งปฏิบัติยากไม่ใช่คือสภาพจิตใจของคนป่วยถ้าไม่ไม่นั่นจริงๆเนี่ยร่างกายรับรับยิ่ง<ร>บอกว่าวคนป่วยว่าใจเรียกพิจารณาไม่ได้เงินป่วยล้มลายอยู่ในนี้หมดเลยต้อไม่รักษาคืออย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราจะพิจารณาความทุกข์ของหนอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเกิดเป็นหนอน <c oughs> อไมนะ่ใช่ยัง ก็ใช่ยงไม่จาเป็นต้องไปเกิดเป็น้อยถ้าจะพิจารณาความป่วยไม่จำเป็นต้องไปลงมือป่วยไม่ต้องเอามีดมาแทงตัวเองให้ป่วยแล้วบอกว่ป่วยเป็นอย่างนี้ปัญญามันเข้าใจได้ปัญญามันเข้าใจได้เพราะงั้นนี้เราอยากรู้รความทุกของเปลดทำไงเนาะก็สร้างกรรมไปเกิดเป็นเปลดไม่ใช่ทังนั้นแย่แล้วดันั้นคนป่วยเนี่ยไม่ค่อยดีแต่เพียงว่าเราเราศึกษาก็ทำคำสอนมาก่อนนะแต่มันเห็นชัดไหมก็ชัด แต่มันชัดก่อนหน้านั้นแล้วมันชัดก่อนหน้านั้นแล้วอย่าไปบอกเออเราจะทำยังไงใช่ไหมง่ห้ตอนส่วยดีเม็นนานขึ้นเยอะคงคงนะทาไม่ได้ต้องคนที่เขาปัญญากล้าจริงๆถ้าปัญญาไม่กล้าจริงๆก็เป็นนอนล่องวนครังมันก็ไม่ต้องอะไรนะถามพี่นิการเสศีษ็ีกล้จะตายตอนพระส า, าีบุตรกับพระอนอนท์ไปเยี่ยมเล้วยังไงท่านเสศี <c oughs> บอกว่าโยมทนไม่ไหวแล้วร้องอ่ะทนานบอกถ้าโสดาบันนะ้นร้องบอกทนไม่ไหวแล้วมันคล้ายๆว่าดิผาบลมที่ในกล้าจะตายเข้ามาเหมือนกใจะจะเฉียนหัวใจให้ขาดไปในบัดดลเลยอ่ะทรมานเหลือเกินบอกพอทนไหวไม่ไหวภาษาลิบุตรก็เลยแสดงลูกเตบตนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุญา น, นต้นแสดงดในความเป็นอนาาัตตาแสดงไปอนนาถาวินิกาเศรษฐีร้รองไห้ ท่านเศรษฐีร้องไห้ตอนใกล้สา ย, ายไปไม่ดีเป็นต้อนองไม่ใช่เลยปิติเกิดพอฟังธรรมแล้วจิตจิตใช่จิตเกิดพ อ, พอปิติเกิดแล้วอุปจาระเป็นต้นเหล่านี้เกิดก็ข่ทุกขเวทนาเป็นต้นดงฉะนั้นคนคนป่วยเนะี่ยถ้าได้ฟังธรรมนะแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานนะสมมติว่าสามีป่วยไม่เคยฟังพระธรรมเลยยิ่งเราทรมาไปพูดก็ยิ่งเครียด นี w, ่เปรียกแล้วคนไม่มีพื้คนไม่คนทุ่ศีลนะนะคนทุ่มศีลอยาเอาเอาเรื่องศีลไปพูดกับเขาคนไม่มีสมาธิคือการคือการศึกษาคําสอนของพระเจ้านั้นต้องเรียนทั้งวินัยพระสูตรและพระวิธรรมเพราะวินัยนั้นเป็นอธิศีทธิ์สิกขาพระสูตรนั้นเป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิพระวิธรรมเป็นปัญญาสิกขาเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพระสูตรด้วย หรว่าเออถ้าหาว่าสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีศีลเป็นต้นฉะนั้นโดยหลักคําสอนเนี่ยพุทธเจ้าให้เรียนทั้งหมดทั้งภาพของศีลสมาธิและปัญญาที่นี่การที่เรามาแยกไงไอ้กลุ่มเรียนศีลก็เรียนเฉพาะศีลกลุ่มเรียนสมาธิก็ไปเฉพาะสมาธิกลุ่มปัญญาก็เลยก็เลยไปแ ย, ยกกันอย่างนี้พอแ ย, ยกกันแล้วเลยเชื่อมไม่ได้พอเชื่อมคําสอนไม่ได้ศิขาสามก็ไม่เดินในชีวิตจริงเมื่อศิขาสามไม่พัฒนาหรือไม่เดินในในชีวิตจริงเดวนี้ก็เลยละกิเลสละ เเป็นเป็นปฏิบัติธเป็นข้อปฏิบัติที่จะละหรือจะเป็นปัจจัยความทุกข์ไม่ได้เนี่ยอย่างเรียนันอธิษฐานทำงานแล้วก็ศึกษายบ้านอย่างเี้นะคะความรู้สึกเหมือนเราท่องนักยหญ่ตลอดแล้วความที่มันเข้าไปคือมันไม่คือด้หลักก็คือว่าการเอาไปกัดเราะความประสนี่แล้วน้อมรับัระแสที่ได้ตัดอะไรเนี่ยโอ้โหตัดอุทยานบดีเนี่ยเอรเดี๋ยวตรงนี้ สรุปตรงนี้ให้จบไปก่อนนะก่อนที่จะพักนี้รู้กว่าอยาบทเช่นนั้นเนี่ยนะก็เช่นเดียวกันเมื่อคิดว่าเราจะนั่งจิตนั้นก็จะเป็นปจัจจัยแกวาโยธาตเมื่อวาโยธาแผ่ขยายไปกายตอนล่างก็ย่อลงยาบทนั่งในี่กายท่อนล่างในะย่อลงใช่ไหมแต่ท่อนบนไม่ได้ยอ่อใช่ไหมเทตาที่กายท่อนล่างย่อลงเนี่ยกายท่อนบนก็จะยืดขึ้นการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจากจิตชื่เรียกว่าการนั่ง เราก็มาสมมติกันเรียกว่าสัตว์นั่งหญิงนั่งชายนั่แท้ที่จริงมันเกิดจากจิตที่คิดก็จะนั่งวาโยธากะพัดผันไปกายท่อนบนก็ยอ่อกายท่อนบนก็ยืดขึ้นกายท่อนล่างยอ่อกายท่อนบนยืดขึ้นเรียกว่าการนั่งที่เมื่อจิตเกิดความคิดว่าเราจะนอนจิตก็จะเป็นปัจจัยเกิดวายโยธาใช่ไหมถามว่าเราจะนอนเนี่ยพขาคิดว่าเราจะนอนแล้วจิตคิดวายโยธาก็าพัดผันไปในกัลยากายหรืออาวายัยวะน้อยใหญ่ การเหยียบร่างกายทั้งหมดเป็นไปตามขวางโดยการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากจิตก็เรียกว่าการนอนหรือเรามาสมมติว่าเรานอนสัตว์นอนหญิงนอนหรือชายนอนหรือคนนอนใช่ไหฉะนั้นเมื่อภิกษุรู้ชัดอยู่อย่างนี้จึงเกิดปัญญารู้ว่ามีปัญญารู้ยังไงถ้ารู้ชัดว่าการเดินการยืนการนั่งการนอนเพราะมีวาโยธาภายในเพราะมีจิตคิด เมื่อมารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยคนทั่วไปเขากล่าวกันว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนสัตว์นั่งสัตว์นอนโดยอัตที่แท้จริงโดยอัธยาโดยความหมายที่แท้จริงแล้วเนี่ยสัตว์ใดๆที่เดินยืนนั่งนอนหามมไม่มีไม่มีไม่มีสัตว์เดินไม่มีชายเดินไม่มีหญิงเดินไม่มีบุคคลเดินคงมีแต่จิตที่เป็นปัจจัยแก่วายุธาตุรวมทั้งปัจจัยอื่นที่ทําให้อยายวดยืนเดินนั่งนอนเกิดขึ้ น, นเท่านั้นเอง นี่เริ่มเข้าใจความจริงอย่างนี้นะถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงอุปมาเหมือนเกวียนไปเกวียนหยุดเนี่ยก็เป็นการสมมุติวิโอหันตรงนั้นว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรที่เรียกว่าเกวียนจะไปหรือเกวียนจะหยุดแต่เมื่อนายสารถีผู้ฉลาดเอาโคมาสี่ตัวสมัยก่อนเขาจะลาบเกวียนก็จะโคสี่ตัวนะขับไปก็จะมีแต่วิโอหารสมมติเรียกตลอดเกวียนไปเกวียนหยุดกายกายอุปมาเหมือนเกวียนเพราะอารไม่รู้อารมเหมือนลวกฮะลวกไม่รู้อารมณ์ จิตแต่ชาวายัธาตุหรือธาตุลมที่อยู่ในกายนั้นะเป็นรูปอีกเหมือนกันเหมือนโคที่ลากเวียนไปรูปก็มีรู้อารมณ์ไม่มีเจตนาจิตเป็นนามเหมือนนายสารถีเหมือนคนขับเกวียนเป็นนามรู้อารมณ์ฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเดินวาโยธาตุก็จะเกิดขึ้นกายยื่อวิญญาณการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยนะก็เดินไปได้โดยการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจากจิตก็จะมีวัวหารที่สมมุติเรียกกันดังนั้นว่า เราเดินสัตว์เดินหญิงเดินชายเดินเนี่ยความจริงเนี่เรื่องการเคลื่อนไหวยาบทต่างๆก็มีอยู่เท่านี้เนี่ยก็มีอยู่เทา่านี้ตามตามที่ได้กล่าวมาเนี่ยฉะนั้นกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาแต่สําเร็จเป็นียาบทไายด้วยการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจากจิตเหมือนเรือใบแล่นไฟได้เพราะกําลังลมลูกศรแล่นไปได้เพราะกําลั ง, ลงลอลไไขอ ง, งสายธนูชั้นใดใช่ไหมการัะชะกายเนี่ยก็เหมือนกันอยาบทต่างๆเช่นยืนเดินนั่ ง, น, งนอนเป็นต้นเหล่านี้จะไปได้เพราะเพราะอะไร พราะธาตุลมภายในพัดผันในเรื่องนี้จึงไม่มีสัตว์อะไรที่ไปยืนไปเดินใช่ไหมด้วยอนุภาพของตนเองนอกจากอาศัยปัจจัยฉะนั้นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนได้ก็อาศัยปัจจัยคือวายโยธาวายโยธาก็มีจิตเป็นสมุดฐสรุปแล้วมีสามตัวที่เรากําลังศึกษากันอยู่เนี่ยจิตกับจิตตะชาวายโยธาคือธาตุลมแล้วก็ยาบุตรนึ่งนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เรามองเห็นได้ใช่ไหมการเคลื่อนไหวต่างๆอะไรเนี่ยเหมือนว่ามือจะยกเนี่ยจะเคลื่อนไหวเนี่ย นี่ยาวดย่อยอยเงี้ยการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่ า, ยาลืมนะการเคลื่อนไหวมือที่เรียกกันว่ามือมือเคลื่อนไหวอย่อยางเนี้ยมีธาตุลมพัดผันอยู่ภายในนะทําให้มือเคลื่อนไหวได้แต่ธาตุลมที่พดัดผันอยู่ภายในได้เพราะมีสิตที่ชิดมีความประสงค์ในการที่จะเคลื่อนไหวและการวัตถุประสงค์การจะเคลื่อนไหวได้กเขามีกายวิญญาือการเคลื่อนไหวกายในการเคลื่อนไหวกายเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ไม่แช่ไปแบบผิดท่าผิดทางเลยนะ มันเหมือนกับเรือเหมือนคนขับเรือเนี่ยมันมีนายท้ายเรือใช่ไหมแล้จับหางเสือเรือแล้วก็บังคับทําให้เรือไปซ้ายไปขวาได้ฉะนั้นกายวิญ ญ, ญาณเป็นต้นเหล่านี้ยที่ทําให้กรกชกายเ ป, ปากเป็นไปตามที่ต่างๆได้ใช่ไหมเป็นไปตามที่ต่างๆได้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวมีวัตถุประสงค์มีจิต อ, อ, อยู่เบื้องหลังมีธาตุลมอยู่เบื้องหลังฉะนั้นกายวิญญาณเนี่ยการเคลื่อนไหวกรกชกายได้เนี่ยเพราะมันมีธาตุลมพัดผันอยู่ในกระติกายห ม, มุนอยู่ อะไรดินน้ำไฟลมมันหมุนอยู่ก็เรียกว่าจักรสี่สรีระยนเนี่ยคือจักรสี่ธารเก้าเนี่ยสรีระยนต์ก็คืออะไรดินน้ำไฟลมเห็นไหมสรีธิในร่างกายของเราเขาเรียกเป็นสรีระยนเหมือนรถยนต์เนี่ยมันมีจักรสี่ก็คือว่ามีดินน้ำไฟลมหมุนไปตามหมุนไปเป็นอยาบทนั่งหมุนไปเป็นอยาบทเดินหมุนไปเป็นอยาบทนอนหมุนไปเป็นอยาบทยืนตอนเนี้ยหมุนอยู่ในอยาบทนั่งดินน้ำไฟลมมันหมุนอยู่คือธาตุลมมันพัดผันมัน มันเป็นอยู่ตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดเวลามันคิดอยู่ตลอดเวลาก็สร้างจิตแต่เชวาโยธาดิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าตอนที่เรานั่งฟังธรรมว่นั้นนะเรืวัตถุประสงค์ไบบนั้นเนะี่ยถ้าตาดายวาโยธาดิ์ยุดพัดผันเนีล้มแผลลงเนี้ยเข้าใจป่ะถ้าไมนมีจิตเป็นปจัจจัยแต่วาโยธาดิก็พยุงโลกกายให้นั่งอยู่นี้ไม่ได้มันเกิดอยู่ตลอดเวลาแหละด้วยการที่เราไม่ได้ไปรู้ชัดตามความเป็นจริงเข้าใจัม้มไม่ได้รู้ชัดตามความเป็นจริง น่นสลีลายอนที่ว wow. ่าม okay. ah ีจ so ักรสี่ทวารเก้าทวารตาสองทวารหูสองทวารจมูกสองทวารปากทวารหนักทวารเบาสลีลายอนที่มีที่มีจักรสี่ทวารเก้ามันก็หมุนไปอ๋อเดี๋ยวก็ไปยืนในขณะที่ยืนก็มีจักรสี่ดินน้ำไปรวมหมุนอยู่ในขณะยืนแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้งกายใช่ไหมแล้วก็มีทวารหนักทวารเบามีทวารเก้ามก็หมุนไปอยู่อ๋อตอนนี้ไปนั่งนะตอนนี้ไปยืนนะนี่ไปเดินนะนี่ไปนอนนะมันหมุนอยู่เนี้ยชีวิตนอะ สลับสับเปลี่ยนอยู่อย่างงี้แหละไปทําบุญทําบาปกันเนี่ยสรีระโยนจาก4ี่ทวารเก้าเลยเดี๋ยวก็ไปทําบุญเดี๋ยวก็ไปทําบาปเดี๋ยวก็รับผลบุญเดี๋ยวก็รับผลบาปอย่างเงี้ยโดยเนี่ยสัตว์โรคในสังสารวัตรกเ็เนี่ยวนเวียนวนเวนีย น, นอยู่ในแยบวดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยน่าบ่นนายถ้าคิดอย่างเงี้ยบอกอุ้สังสารวัตเมื่อไหร่เนเราจะหยุดอย่างถาวรได้ดีใช่ไหมไม่ใช่หยุดแบบเป็นอมภภาพนะ หุดแบบท้าวลเนี่ยหยุดแบบไม่มีการยืนเดินนั่งนอ น, นต่อไปแล้วในสังสารแล้วว่านั้นเขาก็พิจารณาให้ควร อ, อย่างนี้ยถ้าเบื่อแบบเป็นนิน้พิธาแบบนี้พ้นทุกข์นี่ความเบื่อยังน้อยไปเข้าใจอย่างเนียวนั้นต้องเข้าใจพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าเข้าใจชัดแล้วเดีนี้เราเห็นเห็นโอ้ไม่มีอะไรเลยนี่จากสีเทวานเข้าที่หมุนไปตามใช่ไหม สรีระ ย, ยนเนี่ยจากสีตะวันเก้าที่หมุนไปตามระยะบทต่างๆก็ไปสมมตวิว่าอ๋อวัดเมื่อวานเราไปนั่งฟังธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเมื่อว า, วานอันนี้ใช่ไหมพอไปพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นเมื่อวานท่านท่านบอกว่าท่านถึงท่านท่านถึงใช้คำว่าเจริญสติแล้วไปยันยังใช่ไหมจิตถ้าจิตไปรู้ก็รู้อย่างชาวบ้านรู้ต้องรู้แบบปัญญาใช่ไหมชาวบ้านทั่วไปเขาก็รู้นะไม่เที่ยงเขา ก, ก็รู้ก็รู้แบบจิตรู้ไงรู้แบบไหนรู้แบบว่าชาวบ้านรู้เหรียญกระสอบ ชาวบ้านรู้เหรียญเองไม่รู้รา ย, ยละเอียดหรอกก็รู้ว่านี่เป็นแบงค์ห้าแบงค์สิบเป็นแบงค์ยี่สิบเป็นแบงค์ห้าสิบเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเลยก็ว่ากันไปใช่ไหมก็รู้ว่าเออด้ใช้ซื้อของได้แค่นั้นแหละแต่ไ ม, ไม่ไม่คิดไม่ตายใ่ไไม่คิดใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่คิดก็นอนหลับหลั บ, บนิ่งเขาเป็นปกติทำให้หายใจได้แค่นั้นเองทำยาบดให้เดินยืนเดินนั่งนอนได้ ใช่ ใ, ชใชนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการจะยืนทีนี้แค่จิตคิดอย่างเดียวยังไม่พอเนยยัยงมีปัจจัยอื่นเยอะแล้วต่อไปจะไปศึกษารายละเอียดว่าปัจจัยต่างๆที่เป็นปัจจัยการยืนเดินนั่งนอนและเป็นกรรมยังไงในรายละเอียดจะไปศึกษาและจะเห็นชัดต า, คามคราบสอนพอตอนนี้ให้พักกันสักสนาที